I'm i o t a m ไม่ได้นะที่มันดูซมซอไม่ได้นะถ้ามีคนดีๆมาเจอตอนนี้โอ้ยตายตายมาเต็มมาเต็มค้่ไว้ใี่มันดูดีๆคู่ไว้ถ้ามีคนทิ้งเรา